ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณเรามาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันทุกวันจริงๆวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่เว้นต่อให้มีงานพิเศษใดๆก็อาจจะมีวาระพิเศษบ้างเวลารถ ล, ลงไปเราก็ยังมาพบกับท่านฟังอยู่ดีเพราะว่าธรรมะนี่มันต้องมีทุกวันเว้นสักวันหนึ่งก็ไม่ได้ครึ่งวันก็ไม่ได้ อย่างถ้าสมมติชีวิตเราไม่มีธรรมะไม่ต้องถึงครึ่งวันหรอกเอาแค่ชั่วโมงหนึ่งแต่ที่วิชีวิตเราไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะคือไม่เข้าใจว่าธรรมะเนี่ยมันส่วนที่ควระละเว้นก็มีส่วนที่ควรทําให้แจ้งก็มีถ้าเราไม่เข้าใจว่าอันนี้ควรละเว้นนะความโกรธด่าว่าควรละเว้นแล้วเราไปทําชีวิตตรงนั้นเราแย่เลยลมีแต่ความไม่สบายใจความโกรธความขับแค้นใจแต่ถ้าเรารู้ว่า สิ่งนี้คนละเราก็ละสิ่งนี้คนรทำเราก็ทำอันนั้นชื่อว่าเราเริ่มมีธรรมะละวินาทีนั้นนาทีนั้นเรามีความสุขเพรา ะ, ะเราจริงต้องให้ฟังกันซ้ำๆย้ยำๆทากันยอยู่บ่อยๆในการนี้ก็มีข้าพเจ้าพระใบบุ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโส อ, อําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นที่พบปะ พูดคุยกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำในแต่ละวันเราก็นำธรรมะที่หลากหลายกันไปมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของวันริหัสก็คือการที่เราเอาพุทธวจนะมาให้ท่านฟังฟังเป็นคํำตถาคตเป็นคำของบุพเพื่เจ้าเป็นตถาคตภาสิทธ์ในช่วงฟังตถาคตภาสิทธันเองในช่วงของตถาคตพาษิคือวันพฤหันนี้เราก็จะไม่ได้มีการอธิบายขยายความเลย นะเอาพุทธวจนะที่เป็นคําพุทธเจ้าไม่ฝังล้ว น, นเพราะฉะนั้นก็จึงมีวันศุกร์นี้เป็นวันที่เราพูดถึงเรื่องของอธิบายนะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของสมณะอยู่แล้วสมณะเนี่ยก็ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือว่าทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นเนี่ยให้มีความแจ่มแจ้งก็เป็นหน้าที่โดยตรงของข้าพเจ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ในเวลาที่เราเอาพุทธวจนะมาให้ฟังนี้ก็เป็นการสมควรที่จะให้ได้ทราบข้อมูลว่าแต่ละอย่างแต่ละที่ที่เราเอามาพูดให้ฟังเนี่ยมันเรื่องอะไรกันในช่วงนี้ก็พูดถึงเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังสะก่อนดีกว่าเป็นผลงานที่ท่านพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสได้ทำเอาไว้คือหมายก็ว่าท่านก็รวบรวมมาจากพระไตรปิฎกนี่แหล ะ, ละคือพระพทธาของเราเนี่ย เทศไว้หลายปีแล้วเป็นหลายพันปีแล้วผู้รู้จักของเรา่เทศไว้แล้วแล้วก็เทศด้วยการบอกปากเปล่าเป็นลักษณะของการสาธยายธรรมเล่าให้ฟังจากโอทจากพระโอ์จากปากนั่นแหละของพระเจ้าเสร็จแล้วก็มีคนจํามาไว้มีพระอานุ์เป็นต้นมีพระสารีบุตรเป็นต้นจำมาไว้ก็ถ่ายทอดกันมาด้วยการปากต่อปากนัคือการคนนี้จํามาไว้คนนี้พูดมาคนนี้ก็จํามาไว้เสร็จแล้วก็มีการลงอักษร ลงสอนอยู่ในใบลานบ้างเป็นสมุดค่อยบ้างเป็นเอกสารเก็บไว้เอกสารเก็บไว้ก็มีการส่งทอดคัดลอกต่อๆกันมาเดี๋ยวนี้มีระบบการพิมพ์กับพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์พิมพ์ลงในกระดาษระบบเรีงพิมพ์สมัยก่อนน้นนะพอมีระบบเรีงพิมพ์มันก็มีระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เอาขึ้นคอมพิวเตอร์ไว้ทีนี้ท่านบุรศึกษาได้รับข้อมูลนี้มาด้วยวิธีการเรียงพิมพ์ในสมัยก่อนตกทอดกันมาเป็นภาษาบาลีบ้างภาษาขอมบ้าง แล้วท่านก็มาทําการแปละะแปลแล้วก็รวบรวมส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับการเขาเรียกว่าอริยสัต์เสียไว้ในตำลุสือออกมาเล่มหนึ่งเรียกว่าอริยสัต์จากพระโอษฐ์ในเล่ม น, นี้มีอยู่สองสองเล่มย่อยนั่นคือพรักต้นพักปลายเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพุทธประวัติเป็นประวัติของพระเช่าทั้งที่ตรัสเองก็ตามหรือว่าคนอื่นยกย่องสรรเสริญก็รวบรวมเอาไว้เป็นเรื่องๆในอีกเล่มหนึ่ง เรื่องเรื่องที่ท่านรวบรวมมาใบนี้ก็เราก็มาเล่าให้ฟังนั่นเองแตคือไม่ได้ยกทั้งพระสูตรมาแต่จะยกเฉพาะเป็นส่วนๆเป็นเรื่องๆนะคือทําให้เรามีความเข้าใจในย่อๆได้เพราะว่าบางทีพระเจ้ า, เ, าเทศเนี่ยนะฟังหรือว่าบทส่วนธนาเนี่ยยาวมากนะก็เลยที่ยาวมากนี่เขาก็รวบรวมเป็นสูตรนะบางทีพูดกับคนนี้บทส่นทนาเล่าเรื่องนี้้ฟังเป็นยาวเป็นหลายๆร้อยหน้าก็มี บางสูตรก็เป็นแค่ครึ่งหน้าก็มีแต่เพราะนั้นท่านบริทธาจึงทําการตัดเฉพาะเรื่องที่ตัดเป็นย่อยๆออกมาในหนึ่งพระสูตรที่ท่านออกมาเนี่ยไม่ไดเอามาหมดเอาเฉพา ะ, ะบางขั้นตอนบางย่อหน้านะบางคำํำนำมารวบรวมแล้วใส่ชื่อเรื่องใหม่ที่เกี่ยวข้องกันกับในเรื่องของเ4บ้างในเรื่องของมรรคแปบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้รวบรวมมาไว้ใน20กว่าปีละที่ทํามา ทีนี้เราก็ได้เอาเรื่องพวกนี้มาอนให้ฟังโดยเลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคารวาสนะตอนนี้เราอยู่ในหมวดของการที่คารวาสชั้นเลิศที่นำธรรมะเนี่ยไปปฏิบัติได้คาว่าคารวาสคารวาสเนี่ยระเนี่ยก็คือว่าเรือนนั่นเองคารวาสก็คืออย่างผู้ครองเรือนอยู่นั่นเองแต่ทีนี้พรชเจ้าก็บางทีก็ใช้คาว่าคารวาสก็มีผู้ครองเรือนหรือว่าใช้คาว่าการมโภควิ กามาโพกีกามาโพกีเนี่ยก็คือผู้ที่ยังบริโภคกรรมามผู้ครองเรือนหมายความว่ายัางไงก็คือหมายความว่าผู้ที่ยังอยู่บ้านต้องดูแลการงานแล้วก็ต้องทํางานต้องดูแลหาเลี้ยงครอบครวัวนี่คือผู้ที่ครองเรือนก็ในระบบโลกของเราทั่วๆไปเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นส่วนก็คื อ, อผู้ครองเรือนก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ผู้หลีกออกจากเรือนนี่ก็อีกส่วนหนึ่ง ผู้หล so ีกออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องดยเรือนแต่ก็คือว่าการงานอะไรชั้นเอาไปก่อนละฉันยังไม่เอาละไม่สนใจในระยะนั้นนั่นก็คือเป็นลักษณะของนักบวชหรือว่าผู้ครองเรือนบางคนนั่นหลีออกมาในช่วงบางช่วงบางเวลาเป็นนักบวชเป็นออกจากเรือนบางครั้งอย่างผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยหลีออกจากเรือนละมานอนวัดแทนมาอยู่วัดแทนถือว่ากิจการงานอะไรฉันไม่ยุ่งละในช่วงเวลานี้แต่ก็คือออกจากเรือนชั่วคราวก็มี นะอย่างนบวชนี่ก็ออกจากเรือนระยะยาวหน่อยนะถ้าศึกออกไปลาสิกขาลาเพศออกไปก็ไปครองเรือนอีกอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นลักษณะที่ว่าเป็นผู้ครองเรือนทีนี้ด้วความเป็นผู้ครองเรือนเนี่ยก็เป็นลักษณะว่ายังบริโภคกามอยู่บริโภคกามนี่หมายความว่าไงคือหมายความว่ายังหาความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เหนงกินอาหารอร่อยกินอาหารเย็นมีลูกเต้าเล่นหัวเล่นบ้องแบล็กับลูกบ้างเนี่ย หรือว่าไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวต่างจังหวัดและพวกนี้ก็คือลักษณะของผู้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคำว่ากามกอไก่สลามอม้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องชู้สาวระหว่างชายหญิงเท่านั้นอย่างเดียวนะกามในที่นี้คือความกำหนัดพอใจยินดีในสิ่งที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดเลยลเงินทองข้าวของโทรศัพท์ใหม่บ้านสวยๆรถดีๆพวกนี้เป็นกามทั้งสิน กนะ็คือเหมือนว่าเป็นวัตถุกรรมนะที่จะให้เราเข้าไปยึดได้กิเลสการมก็อยู่ในใจของเรานะมันก็เลยไปเชื่อมกันได้ตรงนี้คือหาความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้แหละนะกินความกว้างกว่านะมากทีเดียวทีนี้ผู้ที่ออกจากการมหนะลีกออกจากการมนะหรือว่าพยายามที่จะออกจากเรือนเนี่ยการหลีกออกจากการมออกจากเรือนตรงนี้คือพยายามที่จะลดการเสพกรรมลงนะพระยาจึงบอกว่า ผู้ที่ไม่ครองเรือนผู้ที่หลีออกจากเรือนเนี่ยคือเป็นลักษณะของนักบวชพยายามที่จะลดการเสพการนะโดยการที่อยู่ง่ายๆกินง่ายๆมีอะไรก็กินอย่างนั้นวัดเขาจัดอะไรให้เก็กินพระไปบินตบาวอะไรให้ก็พอใจแค่นีนะ้ที่อยู่ก็ตามมีตามได้อยู่คนไม้เร้นบ้า ง, างนะอยู่ที่พักที่เขาจัดสรรไม่ให้บ้างแล้วนะก็พยายามที่จะหลีออกจากการเพื่อที่ให้ตัวเองนั้นบริสุทธิ์ทีนี้ในะลักษณะของผู้ครองเรือน นะหรือว่าเป็นจะเป็นเรือหัก ด, นะดก็ได้เป็นคาราวาสก็ได้คือเป็นประชาชนคนธรรมดานี่แหละเป็นผู้ครองเรือนผู้มีเย่าเรือนคเรือหัดก็แปลว่าผู้ที่ยังมีเย่าเรือนอยู่แต่ต้องเป็นคเรือหัดหรือเป็นคาราวาสนะก็กามกรมัพโควีนี่ก็คือเหมือนกันนะผู้ที่ยังมีความสุขนะจากก็ตาหูจมูกลิ้นกายอยู่5อย่างทีนี้ผู้ที่หาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายเนกรามเนี่ยนะ ปุโรชาตก็บอกว่าการเสพการมันไม่ดีหรอกอย่าเสพการเลยแต่ถ้าเธอยังปล่อยวางไม่ได้ยังชอบหาความสุขอย่างนี้อยู่ฟังให้ดีนะมันก็จะมีคนที่ดีกว่าคนที่ไม่ดีหรือหมายความว่าในคนที่เสพการเนี่ยก็ยังมีชั้นเลิศกับชั้นที่ไม่ดีกับชั้นที่แย่ๆลงมามีเราก็แบ่งๆเป็นอย่างนี้ จึงบ่งบอกถึงคารวาสที่ผู้ที่เสพกามชั้นเลยก็มีอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเสพกามแล้วดีนะท่านฟังต้องย้าอีกทีนึงนะว่าทำมาม่ไหนของผู้เจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อการหลีกออกจากกามนะเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนไม่มีความปิยาบาทเพราะฉะนั้นอะไรที่หลีกออกจากกามอันนั้นดีแน่นอนนะแต่ถ้าแสเสพกามนะก็ชั้นเลิศ ก, ก็มีชั้นธรรมดาก็มีชั้นที่ควรจะตีเตียนก็มนะีเพราะฉะนั้นคือจึงพวกที่ว่าไม่ดีไม่ดีเนี่ยก็ยังแบ่งไปอีกไม่ดีมากไม่ดีน้อย ไม่ดีปานกลางค่อนข้างดีในพวกไม่เทีย่ยงเนี่ยน ะ, ะการเสพกรารนี้ก็ต้องเป็นไปตามธรรมเหมือนกันนะคือหมายความว่าพระเจ้ามีพูดจริงสี่อยู่ฐาน4ีฐานะแตนะ่ที่ถ้าผู้เสพกรารคนใดคนหนึ่งยังลีกออกจากกรารไม่ได้หมจะให้ฉันไปนั่งสมาธิฉันนั่งไม่ได้หรอกหรือบางคนโอ้ใช่ฉันไปบวชแล้วยอย่าพูดเลยตอนนี้เขาทำงานก่อนอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นคนลักษณะนี้การมาโพกี้แล้วเนี่ย นะั่นคือผู้ยินดีในการบริโภคการอยู่ลนะยินดีอย่างนี้ทำไงนั่นะก็ต้องมีระดับนะต้องมีเขาเรียกว่ามีระดับจะหน่อยนะจะเสพกามเนี่ยนะคือมีอยู่4ระดับนะคือถ้าพอเราหาทรัพย์เนี่ยเราหาทรัพย์โดยไม่เครียดครัดอันนี้ดีระดับ1นนะึหาทรัพย์โดยไม่เครียดครัดไม่เบียดเบียนใครเป็นทรัพย์ที่ไม่ได้มาโดยทําอย่างนี้ถูกต้องนะคือจะเสพกามนี่มันก็ต้องมีเงินนะ มีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่อยู่ในธนาคารดูบัญชีธนาคารแล้วโอ้มีเท่านี้ล้านดีใจจังนะก็คือต้องมีเงินล่ะกูจะหาเงินมาไงอ่ะก็จะหาเงินมาด้วยเป็นความเป็นธรรมไม่เครียดครัดอันนี้ดีนะ น, นี้ดีโดยตานะที่1อันที่2นะก็คือถ้าได้เงินมาแล้วนะก็ทําตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำนะทําตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนานี่หมายความยังไงนะหมายความว่าเลี้ยงตนด้วยเลี้ยงมันดาบิดาด้วย เพื่อนฝูงญาติมิตรลูกน้องอมารดาลูกลูกเต้าด้วยใน่พวกนี้เราเลี้ยงบุคคลรอบข้างเราเหล่านี้ให้เป็นสุขให้อิ่มหนำอันนี้ถือว่าเป็นฐานะที่สองที่ดีคือบางคนได้เงินมาแล้วก็เขียมไว้เก็บเข้าธนาคารตรันหนีเหนียวแน่นใครขอก็ไม่ให้อย่าพูดถึงขอเลยจะเอาไปบริจาคทานไม่คิดเลยหรือจะมแม้แต่ตัวเองกินน่ะยังต้องเขียม เขียมหรือว่าความที่ประหยัดอดออมนี่มันไม่เหมือนกันนะคือบางคนต ร, รณีตระณีนี่ไม่ดีแน่นอนแต่ประหยัดอดออมนี่ไม่ใช่ไม่เป็นคนละเรื่องกันกันกบต ร, รณีนะคนอ่านกันเนะีคือต ร, รณีเนี่ยต ร, รณีเหนียวแน่นเนะี่ยฟังเข้าใช่ไหมต ร, รณีเหนียวแน่นเนี่ยคืออะไรที่มันจําเป็นต้องใช้โอ้ไม่ใช่นะแล้วก็บอกว่าเขียมเอาไว้แต่จริงคือต ร, รณี น, นั่นเองอะไรที่มันจําเป็นต้องใช้มันก็ต้องใช้นั่นแหละ แตนะ่ถ้าเราใช้ถูกต้องตามธรรมบริหารตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำนี่คือข้อที่2องแต่พนะระเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับสะบระบกกรณีก็ตามนะสัดน้ําใบหนึ่งมีน้ําใสถ้าน้ําขึ้นลงก็ราบเรียบแม้ไม่มีใครมาใช้มันน่าเสียดายแต่แต่ถ้ามีการใช้งานมีการทําความสะอาดมีการล้างอยู่เรื่อยๆมีการใช้งานด้วยอนะสะระบุกรณีนั้นถึงจนะดีแต่บางคนบ้านใหญ่โตหรือมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย หรือว่ามีสถานที่อะไรสถานที่1นึ่งที่มันใช้งานต้อนรับแขกได้อย่างเงี้ยถ้าเราได้เอามาใช้งานก็จะดีสมมุติสร้างสนามกีฬาอย่างเงี้ยนะถ้าสนามกีฬานั้นแม่สร้างอย่างสวยงามเลื่อนหรูอลังการแล้วก็มีเทคโนโลยีแรงต่างใส่เข้าไปในนั้นเต็มไปหมดเลยแต่พอถึงเวลาไม่ได้ใช้งานแม่มันเสียดายแต่ถ้าเป็นสถานที่เราสร้างมาอย่างดีทําอย่างดีมีการใช้งานแม่อาจจะเสื่อม บ, บ้างเราก็ซ่อมเอาตรงนั้นแหละจึงด้ีย ว, ว่าฐานที่2ตรงนี้ นี่คือการเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำในลักษณะนี้น ะ, ะส่วนในฐานะที่3านมะถ้าจะบริโภคกรามในไหนก็ขอมีระดับซะหน่อยระดับที่3ก็คือว่าต้องรู้จักแบ่งปันทรัพย์นั้นบําเพ็ญบุญด้วยบาเพ็ญบุญเนี่ยก็คือว่าใช้ในการเลี้ยงดูต้อนรับคนที่มาบ้านบ้างนะให้เปล่าบ้าสงสงเคราะห์ญาติบ้าสงสงเคราะห์แขกบ้าสงสงเคราะห์คนที่ผ่านมาผ่านไปบ้าสงสงเคราะห์เทวดาบ้าง แตส่งคราเทวดาในที่นี้คือหมือนว่าคนไหนดีๆเนี่ยเราก็เอาทรัพย์นี้แบ่งปันให้เขาบ้างอย่างเงี้ยนะอันนี้คือฐานะที่3ที่ดีขึ้นมาในส่วนฐานะที่4ก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่ลุ่มหลงนําไม่มัวเมาในมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกในภพกรทรัพย์เหล่านั้นแต่ข้อที่4นี้เป็นเรื่องของจิตของบุคคลนั้นตระหนี่แต่ถ้าบุคคลนั้นไม่ตระหนี่เหนียวแน่นนะตระหนี่เหนียวแน่นนี่ก็คือระดับหนึ่งนะ คุณไม่ตระินีแล้วใช่ไหมก็คือว่าคุณจะใช้จ่ายทรัพย์ตั้งแต่ข้อที่2องล้ทีนี้บางคนไม่ตรรินีแต่ว่ายังมีความลุ่มหลงโมลเมาวก็มีคือเราก็จะต้องมีปัญญาในการที่จะไม่ลุ่มหลงโมลเมามีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกจากเจ้าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้คือหมายว่าจากโภครทรัพย์เหล่านี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามี4อย่างนี้นะซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่า เป็นผู้ที่หาได้หาเงินเนี่ยได้มาโดยทดําโดยไม่เครียดครับนะบแล้วก็ทําตัวให้เป็นสุขให้อิ่มน้ํานะเลี้ยงดูหมู่มิตรญาติพี่น้องแล้ว้อที่3ก็คือว่าแบ่งปันทรัพย์นั้นมาเป็นบุญด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการให้ตามบุญนิทาต่างๆการให้ในสมณะที่หลีกออกจากการนะปัจจัย4ี่ที่ควรแก่สำนักจุริโภคแล้วข้อที่4ก็คือการที่ไม่กําหนัดลุ่มลงโมเมามีปกติเห็นโทษ แต่ถ้าเป็นอย่างนี้แม่ยกนิ้วให้เป็นผู้บริโภคกรารชั้นเลิศผู้บริโภคกรารชั้นเลิศฟังดูแล้วก็งงๆเอาแต่ก็ยังดีแล้วก็ผู้ทีาบอกอย่างนี้เป็นผู้กรารวัภพอคีที่เรียกว่าเป็นชั้นบวรชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดกว่าพวกบริโภคกามทั้งหลายเออว่างั้นก็แล้วกันฟังก็ท่าหน่อยคือผู้ที่เปรียบเหมือนอย่างนี้ถ้าสมมติเอานมมาหัวเ น, นี่ยนะ วัวเนี่ยเราไปรีดนมมันใช่ไหมมันก็มีน้ํานมออกมาคือสมมติวัวเนี่ยถ้าเราฆ่ามันตายนะเอาเนื้อมากินอันนี้คือพูดนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะไม่ใช่ให้ไปฆ่าวัวนะสมมุติว่าถ้ามันตายเราเอาเนื้อมากินเรากินได้แค่ครั้งเดียวเนอะแค่วันนั้นไม่กี่ไม่กี่วันก็หมดแล้วเนื้อวัวเนาะแต่ถ้าเราเก็บมันเอาไว้เลี้ยงมันเอาไว้นีมันมีลูกมันมีนมออกมานมวัวเนี่ยเรากินได้ตลอดในเป็นปีๆนั่นแหละ จนกระทั่งมันมีลูกมีเป็นหลายหลายสิปีหลายกินวัวเนื้อนมวัวตัวหนึ่งทีนี้นมวัวที่ออกมาเนี่ยถ้าผมว่าเราเอามาหมักอย่างดีนะโดยใช้เชื้อหมักเนี่ยผลที่จะเกิดมาก็คือเป็นลักษณะของนมส้มนะนมส้มก็เป็นลักษณะของโยเกิร์ตนั่นเองนะเป็นค่อนข้างข้น น, น, น, นิดนึงนะมีคุณสมบัติเป็นยาด้วยเพราะว่ามีจุลินทรีย์อะไรต่างทีนี้ถ้าเราหมักนมส้มเนี่ยคือจะโยเกิร์ตเนี่ยต่อไปนานขึ้นอีกนะมันก็จะเป็นเนยข้นะเป็นลักษณะของเนย เนยนี้ก็แข็งเก็บไว้ได้นานด้วยซ้ำนานกว่านมธรรมดานมนี่ เ, เก็บไว้แป๊บๆเดี๋ยมันก็บูดแล้วแต่ไม่แช่ตัวเย็นหรือว่าถ้าเราทําเป็นโยเกิร์ตก็เก็บได้นานขึ้นมีจุรินทรี์มีคุณสมบัติเป็นยาด้วยแต่ถ้าเราทําเป็นเนยเนยข้นเนยนแข็งๆเนี่ยนะก็จะเก็บได้เป็นหลายๆเดือนหลายๆปีด้วยซ้ำบางชนิดเพราะฉะนั้นมันก็เก็บได้ยืดยาวกินได้นานขึ้นแตทีนี้ถ้าเราเอาเนยข้นนี้มาต้มนํามาผ่านความร้อนอีกครั้งหนึ่ง เดีวมันก็จะแยกเป็น2ชนั้นเป็นใสๆลอยอยู่ข้างบนแล้วที่ ค, นคน้นๆเนี่ยลอยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเราช้อนตรงใสๆออกมาเนี่ยไอ้ตรงใสๆเนี่ยคือเป็นลักษณะของเนยใส น, นั่นเองเนยใสเนี่ยนนมีคมุณสมบัติเป็นยาด้วยในที่ดีกว่าโยเกระต ท, ทั่วๆไปยเกระตทั่วไปททววววววนี้เป็นลักษณะของจุลินทรีย์ตั้งนั่นเองแต่นี้มีคมุณสมบัติเป็นยารักษาโรคเป็นน้ํามันรต่างๆได้แล้วเอาเนยใสเนี่ยมาต้มอีกเดี๋ยวแยกให้เป็นชั้นอีกเอาเฉพาะหัวเนยใสล้วนๆเนี่ยเดี๋ยวผ้ชายกตัวอย่างว่า อาวัวเนยใสเนี่โอ้โหเลิศกว่าเนยใสธรรมดาเนยใสธรรมดานี่นะก็ยังเลิศกว่าเนยข้นธรรมดาเนยแข็งธรรมดาเนยแข็งธรรมดามันเก็บไว้ได้นาะนมีสมบัติป็น ญ, ญาด้วยเนยยังเลิศกว่านมส้มพวกโยเกิร ท, ทั่วไปยกเกิด ท, ทั่วไปนี่มันมีจุนซีมีสมบัติป็น ญ, ญาด้วยก็ยังดีกว่านมมันมเก็บไว้ไม่ได้นานเท่าไหร่นมนี่นะมันยังดีกว่าเนื้อวัวนะเพราะว่ากินได้อยู่เรื่อยๆเนื้อวัวกินไม่กี่วันก็หมดแล้ว นะมันตายไปแล้วด้วยมันเลี้ยงเราต่อไม่ได้แต่เพราะฉนั้นชาจึงบอกว่าไล่กันมาเลยนะความประเสริฐความเลิศหัวในยใส่นี้ดีที่สุดในบรรดารถที่จะเกิดจากโขนะวัวควายเนี่ยถ้าเขาจะสร้างรถอะไรให้เรากินได้เนี่ยนะก็ถ้าเราไปกินเนื้ออันนี้ไม่ดีแน่นอนใช่ไหมมันตายด้วยนะกินได้แป๊บเดียวด้วยดีขึ้นมาหน่อยกินนมมันดีกว่านะไม่เบียดเบียนมันมากเท่าไหรนะ่กินนมก็ดีในขณะเดียวกันดีขึ้นมา ก, กว่านั้นอีกคือเอานอมเนี่ยไปมาก เป็นโยเกิร์ตหรืเป็นนมสม้มไล่ขึ้นไปนะเป็นเนยข้นเนยใสยหัวเนยใสยหัวได้ใสเนยเลิศกว่าบรรดารสที่เกิดจากโคทั้งสิน้นนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยคนที่บริโภคกามที่รู้จักที่จ ะ, สะแสวงหาโพเขซับโดยทําให้เรครียดคลัดทํางานใช่ไหมอย่าเครียดนะทํางานใช่ไ้ยให้เป็นไปโดยธรรมนะนะมีความเพียรดีแล้วนะมีเหงื่อกออกในการทํางานถูกต้องแล้วนะ อันนี้ดีตา น, นที่1นึ่านะ ท, นาที่2ต้องรู้จักใช้โปรแกรมที่หามานะให้เป็นไปตามธรรมนะรู้จักการแบ่งจ่ายทราบย์ไม้เงินสดเข้าเงินสดออกรู้ตัวไม้กระแสงเงินเข้านะ่าต้องมากกว่ากระแสงเงินออกนะต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้สมดุลอันนี้คือข้อที่2องแตนะ่ข้อที่3ามทราบอีกครั้งหนึ่งรู้จักแบ่งปันทรัพย์น้ามันเป็นบุญด้วยนะให้เปล่าให้ปันมีจ่าค้าอันสลามีฝ่ามือชุ่มอยู่เป็นปกติ นวะข้อที่4ี่คือไม่นุ่มหลงนะลุ่มหลงนี่จะพาคุณไปต่ำนะอย่ามัวเมานะมันจะยึดมันจะปวดใจนะนะแนวถ้าเราเป็นอย่างนี้โอ้แม่ยกนิ้วให้แนวะสนิ้วหัวแม่โป้งเลยนวะดีมากผู้เจ้าก็บอกว่าเป็นชั้นเลิศชั้นบวรชั้นหัวหน้าชั้นประเสริฐชั้นสูงสุดนวะกว่าพวกที่บริโภคการมทั้งหลายทุกฟังต้องเป็นอย่างนี้นะนวะถ้าเราเป็นอย่างนี้เรียกว่าครวญชั้นเลิศแนวะครวญชั้นเลิศดีแล้ว เมื่อวานนี้นอกจากสูตรนี้ก็ยังได้พูดถึงเรื่องของนรกที่ร้ายกาจนะครั่พุทธเจ้าพูดถึงมหาปริลาหานรกนรกที่ว่ามหาปรีลาหะเป็นยังไงนรกแบบนี้และคือเจอแต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอย่างเดียวเอาง่ายๆเราไม่ต้องพูดถึงนรกที่มีไฟนรกที่ร้อนหรือนรกที่เป็นรูปแบบไหนๆเอาในปัจจุบันนี้แต่ถ้าสมมุติว่ า, ามีคนคนหนึ่ง เป็นเด็กแล้วกันนะเกิดในทวีปแอฟริกาเป็นตน้นะมีข้าวยากหมักแป้งเด็กในแอฟริกาเนี่ยท่านผู้ง เ, เดือนหนึ่งเนี่ยขอไปอาทิตย์หเนี่ยนะได้กินข้าวแค่2วันนี่คือวันจันทร์กับวันพฤหัสที่เหลือทาําไงอดกินน้เาเมาไม่มีข้าวกินไอ้ที่กิน2วันเนี่ยมื้อเดียวด้วยนะแล้วก็เป็นอาหารที่แบบไม่ได้เลื่อนลู่รลังการอะไรธรรมดาธรรมดานะข้าวเปล่าผสมน้ําส้มนิดหน่อยกินแค่นี้เอง ที่หน่งกินข้าวอยู่2มือ้อ2มื้อไม่ใช่2วันนะคือ2อคาบสองเวลาเท่านั้นเองนะกินข้าวางี้ก็ก็ก็กอดอ่ะเนาะก็ไม่ท้องมันหิวอยู่ตลอดเวลานะซ้ําร้ายพ่อแม่ก็ยังอา่าต้องเรียกให้ไปขอทานนะตุกปลุกขึ้นมาตอนเช้าเอาเท้าถีบเอาเท้า เ, าเตะต้องตื่นขึ้นมาละนะถือถ่ายกระเบื้องไปใบหนึ่งก็แตกแตกด้วยนะไปถึงระหว่างเดินทางไปเสื้อผ้าก็มาลมมาลอดซาซอนะไปถึง เขาก็ด่าว่าถุยน้ำลายใส่ไม่ยอมให้เงินเราแต่ขออยู่ทั้งวันข้าวก็ไม่ได้กินแล้วก็เหนื่อยก็เหนื่อยตัวซม่ช่ อ, มอไม่มีความสุขเลยแตนะระหว่างทางกลับมายังถูกพวกนักเลงรังแกอีกเขาจะขอเงินเราไม่มีเงินให้เขาก็เตะทุบตีเดินทางกลับมาก็เดินล้มลมเซ่เซไปเตะหินก้อนหนึ่งอีกหัวไม่เท้าแต่อโอ้โหมันเศร้ามากเลยกลับมาถึงบ้านเงินก็ไม่ได้แม่ก็ด่าอีกนะนอนหลับไปทั้งน้ําตาคนแบบเนี้ย มีอยู่ในโลกนี้นะท่านผู้ฟังถามว่าเขาเจอแต่พัสสัตที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวเจอแต่พัสสัตที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวนี่คือความทุกข์นี่คือนรกนั่นเองประชาชนพูดถึงนรกเนี่ยคือสถานที่ที่หนึ่งที่คุณเห็นรูปอยู่แต่คุณเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวคุณได้ยินเสียงได้ลิ้มรสได้สัมผัสต่างๆแต่เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวโหมันแย่เลยนะเจอแต่สิ่งที่ไม่น่าพอใจอย่างนี้นะแต่ว่าเด็กคนนี้เนี่ย เขายังมีความสุขนิดหนึ่งตอนที่เขาจะไปห้องน้ําเขากินน้ำใช่ไหมเขาเจอลําธารกินน้ําปวดปัสสาวะอย่างเงี้ยปวดปัสสาวะจะไปห้องน้ําไปห้องน้ําถ่ายเสร็จออกมาแล้วเนี่ยมันเบานิดหนึ่งมันโล่งนิดหนึ่งนั่นคือความสุขที่เขายังมีนะท่านผู้ฟังใช่ไหมความสุขที่เขายังมีจากการที่เขาอยู่ในสถานที่ที่แย่ขนาดนี้ในโลกนี้นะแต่ขอโทษเถอะในนรกจริงๆนรกจริงๆเป็นความทุกข์ที่ไม่มีความสุขระหว่างเลยอย่าไปพูดเลยไปห้องน้ํา เขาไม่ให้คุณไปหรอกในคุกเนี่ยคุณขอรนยญาอาไปทานะั้นก็ยไปนะในนรกนะไม่มีทางเขาไม่ให้คุณไปนะคุณถูกจองจํำถูกจับขังคุณถูกน่วงเหนี่ยวคุณถูกทรมานนะเจอแต่ภาษาที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวนี่คือ น, นรกนะนะถ้าพูดถึงสวรรค์ใช่ไหมสวรรค์เราไม่ต้องพูดถึงสวรรค์วิมาตอะไรแบบบนชั้นฟ้าเอาโลกนี้แหละนะเอาคนที่มีทรัพย์อันพอจะกินบ้างนะตื่นเช้ามามีความสุขพ่อแม่ น้องภรรยาอะมีครบท่วนทุกคนทําอาหารให้กินขนะับรถออกไปทํางานก็ไม่รถติดยิ้มแย้มแจ่มใสอากาศโปร่งสบายไม่มีมลภาวะไปถึงที่ทางานแล้วนะเขาก็ประชุมปรึกษาแก้ปัญหาได้อย่างดีทุกคนสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันนะทํางานก็ประสบความสําเร็จกลับมาบ้านก็มีอาหารกินมีทีวีดูมีความสุขนอนไปด้วยการอมยิม้มอย่างนี้แล้วนกะ็มีความสุขตลอดเวลาเลยนะทีนี้ อิตาคนนี้เนี่ยที่มีความสุขตลอดเวลาเนี่ยถ้าเผยว่าเ้ายังมีความทุกข์อยู่บางคือเวลาที่เขากินข้าวอิ่มแล้วเนี่ยปวดท้องอุจราระอย่างเงี้ยปวดประชอร้อหรือปวดอุจระอย่างเงี้ยต้องนี้ไปห้องน้ำไปถ่ายทุกข์นะตรงนี้เขาจะมีความทุกข์นิดหนึ่งตรงนี้ก่อนที่เขาจะไปถ่ายทุกขน์นี่คือลักษณะของความสุขที่ยังมีความทุกข์แทรกนะหรือมีอาภพาตแทรกแต่ว่าบนสวรรค์นเนี่ยมีอยู่พบหนึ่งพวกพบชื่อว่าอาภักินหานี่แหละนะ ที่ว่ามีความสุขไม่มีความทุกข์ระหว่างเลยนะมันดีจริงๆไม่ต้องมีความทุกข์มาแทรกแซงเพราะเรื่องไปห้องน้าเพราะฉะนั้นเราดูสิว่าแค่บนโลกเราเนี่ยมีทั้งสุขและทุกข์อยู่แล้วทนะี่พุทธเจ้าบอกว่านารกที่มันยิ่งกว่าไอ้ที่พูดเนี่ยนะเด็กที่อยู่ในแอฟริกาอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ยกให้ฟังเฉยๆนะท่านฟังเด็กที่เขาดีๆก็มีนะทีนี้เด็กที่เขาอยู่ในแอฟริกาเป็นต้นเนี่ยเหมือนอยู่ในนรกเนี่ยยกตัวอย่างนะ เขายังมีความสุขแสกแสงบางแต่ว่าในนรกนี่โหเลวร้ายกว่านั้อีกเป็นความสุขเนี่ยเป็นความทุกข์ที่ไม่มีความสุขระหว่างเลยไฟนี่ไม่มีทางดับเลในนรกอย่างเงี้ยนะวิจีมานรกอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้ไอ้ที่แย่กว่านั้นเนี่ยมีอีกนะคือการไม่รู้เนื้อสี่นะทานฟังการไม่รู้เนะื้อสีส่เนี่ยเป็นความทุกข์ที่ใหญ่หลวงเดือดร้อนกว่าความทุกข์ชนิดนี้อีกกว่านรกชนิดนี้อีกโห เ, ande, เรารู้อริยสัจ ส, สีเหรืยงทำไมล่ะทำไมถึงการไม่รู้อริรสัจ ส, สีเนี่ยมันแย่กว่าการที่ไปอยู่ในนรกสักเวลาหนึ่งด้วยเพราะว่าอริยสัจสี่เนี่ยคุณต้องไปเกิดแล้วกว่าอีกไงคุณต้องมาบนเวียนบางทีคุณไปนรกได้ไม่รู้จบเลยนะเพราะคุณไม่รียอะไรสัต์สีคุณไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วไม่รู้ว่าทางออกคืออะไรมันแย่มากอยากจะต้องทุกแล้วทุกอีกทุกซ้ําทุกย้ําตัวเองก็ไม่รู้ว่าจมอยู่ในกองทุกถูกขังอยู่ในคุกเนี่ยคนขังคุกอยู่ ก็ยังรู้นะว่าเขาจะมีกําหนดออกเมื่อไร่ถ้าเขาถูกขังคุกตลอดชีวิตเขาก็ยังรู้ว่าตายแล้วเขาก็ยังได้ออกอยู่ดีแต่แต่คนถูกขังอยู่ในสังสารวัตรท่านผู้ฟังแม้ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำตัวเองถูกขังอยู่ยังไม่ยินดีเพลิดเพลินโอ้ยเป็นอย่างนั้นไปเพรา ะ, ะนั้นการไม่เรื่อะไรสักสีเนี่ยจึงเป็นนรกที่ยิ่งกว่าเขาเรียกว่าเป็นความเร้าร้อนที่ใหญ่หลวงกว่าอยู่ในนรกอีกนะเพราะว่ามันเร่าร้อนด้วยการอยู่ในสังสารวัตรขวนขวายเบียดเบียนกันตลอดเวลาเลย มันดู จ, ดจบจสิบส้นวันนี้ได้อธิบาย2พระสูตรนะท่านผู้ฟังคือเรื่องของการมัทโพคีการผู้บริโภคการชั้นเลิอชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดแล้วก็ได้อธิบายถึงเรื่องนรกอันร้ายกาจของมนุษย์เราคอยระบังจิตของเราไม่ว่ า, าวท่านฟังจะเป็นฆราวาสผู้ที่ยังบริโภคการอยู่หรือเป็นพระสงฆ์ผู้ที่พยายามที่จะลีกออกจากการออกจากเรือนแล้วเราก็ต้องมาระวังนรกอันนี้นั่นนรกที่ร้ายกาจมีอยู่เราเห็นตัวอย่างในโลกมนุษย์นี้ก็มี ทีม่มันสร้างความเร่าร้อนอเดือดดาลมีความไม่สบายอยู่ในกายเราแน่นอนในใจเราด้วยแต่ที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือการไม่รู้อริย ส, สัจสเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อริย ส, สัจสนะ่พยายามที่จะทําความรู้นี้ให้เกิดขึ้นเราอ่านความรู้ในของคนอื่นคก็จริงเราก็ทําความรู้นี้พยายามนะให้เกิดขึ้นในจิตของตัวเองด้วยการฟังรายการธรรมะด้วยจะเป็นรายการธรรมะระเบิดก็ได้รายการอะไรก็ได้ก็ดีทั้งนั้นเพราะฉะนนในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูร์อภิปุโน จากวัดป่าดอนไหโ้โศกอำเภอหนองงามจังหวัดเลยนธานีแล้วก็ขอลาตั้มพี่ฟองไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริมพร